พวกที่เรียนยากจะมีสองพวกนะพวกหนึ่งคิดมากพวกหนึ่งติดเพ่งพวกที่เคยเข้าวัดเคยทํากรรมฐานอะไรเนี้ยจะชอบเพ่งส่วนใหญ่ที่ฝึกมาเกือบร้อยละร้อยฝึกเพ่งท่องพุทโธก็ไปท่องเพื่อบังคับจิตให้นิ่งไม่ใช่ท่องเพื่อรู้ทันจิตรู้ลมหายใจก็น้อมจิตไปจับไม่อยู่กับลมหายใจเพื่อจะได้สงบนิ่งๆอยู่ ไม่ได้เพื่อรู้ทันจิตว่าจิตนี้ไปคิดหรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมดูทองพองยุบก็ไปบังคับจิตไปอยู่กระท้องทำจังหวะขยับมือแล้วก็เพ่งใส่มือบ้างกรรมฐานส่วนมากที่ฝึกกันมาเป็นกรรมฐานที่ละเลยการที่จะรู้ทันจิตตัวเองบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะศีลสิกขาบทเรียนที่สองชื่อจิตตะศิขา ตัวนี้สำคัญมากเลยนี่เกือบร้อยละ้อยของพวกที่เคยฝึกกันมากนะ็ฝึกเพ่งฝึกเพ่งบังคับจิตให้นิ่งไม่ใช่จิตตะศกขาไม่ได้เรียนรู้จิตเลยถ้าทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเรียนรู้จิตนะจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้จิตที่เป็นกุศลอย่างนี้สงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวเอาไว้พักผ่อน จิตที่เป็นกุศลแบบนี้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้ทําวิปัสสนาไม่ได้แยกแล้วเจอทั้งจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยก็ยังแยกออกอีกผู้รู้ที่ถูกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแขกการงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ประกอบด้วยราคาโทสะโมห oh ะนี่แบบหนึ่งใจจะเบาสบายรู้ตัวอยู่ ผู้รู้อีกแบบหนึ่งจงใจจะรู้ก็แน่แนๆ แ, แข็งๆรู้ตัวแต่แข็งกระด้างอย่างนั้นรู้ผิดในบทเรียนเรื่องจิตศิษขานะจะทำให้เราแยกแยะชนิดของจิตได้จิตอย่างนี้อกุศลจิตอย่างนี้กุศลแล้วบางคนจิตเป็นอกุศลแท้ๆเลยไม่เห็ น, นอก mm hmm. ก็ไปทำกรรมฐานด้วยจิตอกุศลเทนจิตโลภอยากปฏิบัติอยากสงบ อยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้เนี่ยจิตมีความอยากซ่อนอยู่ก็ไปบังคับตัวเองไปทำกรรมฐานไปนเดินจงกรมไปนั่งสมาธิความอยากเป็นกิเลสกิเลสเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมจะเป็นปัจจัยชนิดพิเศษอย่างหนึ่งด้วยเรียกว่าสาชาตปัจจัยสาชาตปัจจัยหมายถึงเกิดร่วมกันเป็นเหตุให้เกิดก็จริงแต่ว่าเกิดด้วยกัน ตั้งอยู่ด้วยกันดับด้วยกันงั้นอย่างเราโลภเราอยากปฏิบัติจะกําหนดยุบเนอพองเนอกําหนดยกเท้ายั่งเท้าใจมันโลภอยากจะดีลงมือปฏิบัติไประหว่างที่ปฏิบัตินั้นความโลภยังอยู่นะงั้นจิตดวงที่เอาไปทําวิปัสสนาดวงนั้นมันเป็นจิตที่มีโลภะอยู่มันทํำวิปัสสนาไม่ได้จริงเพราะจิตเป็นอกุศลนะไม่มีสติตัวจริง จะมีแต่กำหนดเพ่งจ้องแข็งๆทื่อๆไปไม่มีความสุขไม่มีความสุขนานโทษะก็ขึ้นอึนัดลำคาญเนี่ยถ้าเราไม่ได้เล่าเรียนซะ ก, ก่อนนะแยกแยะชนิดของจิตให้ออกเราก็จะเอาจิตอาุุลนี่แหละไปเจริญปัญญาซึ่งมันทำไม่ได้กานที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยมันจะต่างกับส่วนใหญ่ที่เขาเรียนกันที่เรียนกันจะเรียนรูปแบบ ทำอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยเราจะดีทำงี้เราจะดีทำไปก็จะส่วนใหญ่นะเกือบทั้งหมดนะทำไปเพื่อ น, น้อมจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบในอารมณ์เดียวล้วไปทำวิปัสสนาไม่ได้งั้นเราทำกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเมื่อวานสอนแล้วนะทำกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้อกุศลมันโลภหลดหลง ถ้าเมื่อไรจิตมันอยากได้อารมณ์มันหิวอารมณ์เมื่จิตโลภเมื่อไรจิตปฏิเสธอารมณ์ไม่ชอบอยากให้อารมณ์อันนี้หายไปเรียกจิตโกรธจิตมีโทสะเมื่อไร่จิตจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนจิตเป็นโมหะนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปแล้วก็มาฝึกให้จิตสงบมาฝึกให้จิตตั้งมั่นนี่คือบทเรียนเรื่องจิตสิกขาฝึกให้จิตสงบก็รู้จักเรื่องอารมณ์ อยู่กับอารมณ์ชนิดไหนจิตมีความสุขแล้วก็อารมณ์ตัวนั้นต้องไม่ยั่วกิเลสอยา่างเรามีความสุขจากการดูหนังเรนเพลินไปนเรือเอเอเอ่อยหรือฟังเพลงเพลินเลินไปเรื่อยอันนี้ไปฝึกจิตไม่ได้มันเผลอนะมันยั่วกิเลสเราก็เลือกอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสอย่างท้องพุทโธ ร, รู้ลมหายใจนะเดินจงกรมดูท้องพองยุบดูความสุขความทุกข์ที่เกิด ดูกุศลอกุศลที่เกิดอะไรก็ได้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะที่เนื่องอยู่ในกายเนื่องอยู่ในใจของเรานี่แหละดีที่สุดกรรมฐานที่ไม่ควรทำํำนอะีกอย่างหนึ่งคือพวกกสินนะกะสินเล่นไปแล้วได้ฤทธ์ได้เดชแต่ว่ามันยากที่จะต่อขึ้นวิปัสสนาอย่างเราไปนั่งเพ่งไฟเพ่งลูกแก้วเพ่งพระพุทธรูปอะไรเนี่ยจิตเราออกข้างนอกจิตเราไปอยู่ที่พระ สงบเฉยๆนะสงบแล้วสว่างในะุด อ, องค์พระก็ใสเป็นแก้วเลยนะหรือดูจุดไฟไว้ดวงหนึ่งจุดเทียนไว้จ่องไปเรื่อยไฟก็กลายเป็นแสงเป็นดวงกลุม่มๆนะสว่างไม่ไม่ต้องดูไฟต่อไปละเป็นปฏิภาคนิมิตย่อดได้ขยายได้มันไม่ย้อนมาที่กายที่ใจไม่ขึ้นวิปัสนาไม่ได้นะยังกรรมาฐานที่ควรทาเนี่ยเราลองไปดู ในพระสูตรชื่อสติปทานสนีะ่มหาสติปทานพยายามอ่านสติปทานที่เป็นพระไตรปิฎกนะสติปทานที่ขยายความทีหลังต้องระวังให้ดีมันเจือปนด้วยความเห็นอัตโนมัติเข้าไปเยอะนะดูในพระไตรปิฎกอารมณ์ที่พระเจ้าเลือกให้นันนะ่เป็นอารมณ์ที่ดีไม่ยั่วกิเลสอย่างเรารู้ลมหายใจออก รู้ลมหายใจเข้าหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิหรือรู้อิทิยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนยืนก็รู้อยู่นั่งก็รู้อยู่เดินก็รู้อยู่นอนก็รู้อยู่รู้ว่าอะไรรู้ว่ารูปมันยืนเดินนั่งนอนจิตมันเป็นคนดูอยู่อย่างนี้ถ้าฝึกให้มีสติแล้วก็ได้สมาธิด้วยหรือรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะบัพเพ็ ยืนเดินนั่งนอนมันยังหยาบไปมันยังหยาบไปก็ดูละเอียดขึ้นไปอีกหันซ้ายรู้หันขวารู้ขยับรู้นะกระดุกกระดิกรู้หยุดนิ่งไม่ได้กระดุกกระดิกก็รู้เนี่ยอย่างนี้ดูอย่างนี้ก็ได้นะแล้วจิตเราเป็นยังไงเราก็ค่อยรู้ทันเอานะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆได้ทางสติได้ทางสมาธิแถมขันแยกได้ด้วย อย่าฝึกแยกขันต์ต่อไปได้ด้วยแนละสติปัฏฐานเนี่ยเป็นคําสอนที่วิเศษมากเลยรวบยอดเอาไว้ได้เยอะเลยรวบกรรมฐานเอาไว้ได้เยอะเลยคนไม่มีสติมาฝึกสติปัฏฐานเบื้องต้นก็ได้สติเพราะอะไรเพราะหัดรู้สภาวะบ่อยๆจนจิตจําสภาวะได้แม่นเมื่อจิตจําสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองหัดรู้สภาวะไปพอจิตเคลื่อนก็รู้ทันจิตเคลื่อนก็รู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้สมาธิที่ถูกต้อง ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูก็ได้ปัญญามันเห็นว่ากายกับใจแยกออกจากกันหรือดูไปถึงความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์เข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตก็สามารถแยกความสุขความทุกข์ออกจากร่างกายและออกจากจิตได้อีกหรือว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจก็เห็นอีกว่าความสุขความทุกข์ที่ใจนั้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้านะ เนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยน้ำจะเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยกระจายตัวออกไปได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญางั้นการเจริญสติปัฏฐานนได้ครอบคลุมนะกว้างกวางมากเลยมีตั้งแต่ได้สติได้สมาธิก็เป็นสมถะได้ปัญญาทําวิปัสนาอยู่ในบทเรียนเรื่องสติปัฏฐานอันเดียวนี่เอง เพระเจ้าถึงสอนน้สติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเพเราะฉะนั้นอย่าไปเลือกอารมณ์สเสปสสะเราดูว่าในสติปัฏฐานนั้นเราเหมากอารมณ์ชนิดไหนเราถนัดรู้กายเราก็ใช้กา ย, ยานุปัสสนาเราถนัดรู้ความรู้สึกสุขทุกเราก็ใช้เวทนานุปัสสนา เรถนัดรู้จิต ท, ที่เป็นกุศลังกุศลโลภโกรดหลงอนะไรนี้คนขี้โมโหก็ดูไปจิตมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้จิตหายโกรธก็รู้เนะนี่ยดูตัวเองนะถนัดรู้กายก็รู้กายไปเป็นกา ย, ยานุปัสสนาถนัดรู้ความสุขความทุกข์ทางกายความสุขความทุกข์ทางใจก็จะเป็นเวทนานุปัสสนา ถนัรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลนั่นก็เป็นจิตตานุปัสสนาสุดท้ายมันจะเข้าธรรมานุปัสสนาเองทุกคนแหละในธรรมานุปัสสนาจุดร่วมยอดเลยก็คืออริยสัจนะไม่ว่าจะภาวนามาด้วยวิธีใดสุดท้ายจะเข้าใจอริยสัจเหมือนขึ้นภูเขานะจะขึ้นทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้สุดท้ายก็ไปถึงยอดเขาเนป็นที่เดียวกันและในสติปัฏฐาน4ี่นั้นอารมณ์มีสด้านกายเวทนาจิตธรรม จะทำอันใดอันหนึ่งก็ถึงที่สุดคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เหมือนๆกันไม่ใช่ทางไหนดีกว่าทางไหนหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไม่มีมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับแต่ละคนอันนี้ดีที่สุดสำหรับเราแต่ไม่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นเพราะฉะั้นอย่างถ้าเราเคยพาวนาอย่างหลวงพ่อเนี่ยดูจิตมาหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกว่าดูจิตดีกว่าดูกายนะเพราะอะไรคนดูกายเขาก็มาได้ แต่เราเห็นนะว่าคนดูจิตก็มาได้นี่พวกส่วนใหญ่เขาเข้าดูกายกันเขาไม่รู้จักเรื่องดูจิตเขาก็เลยคิดว่าดูกายอะไรมาได้ดูจิตมาไม่ได้แต่ครูบาอาจารย์ที่ขึ้นยอดเขาแล้วเนี่ยไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ว่ายอย่างนั้นหลวงพ่อเข้าไปเรียนจากครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไห น, ไหนก็สอนดูจิตทั้งนั้นเลยกระทั่งหลวงตา ม, มาหาบัวเยแก้เรื่องจิตให้เลยไม่ได้บอกว่าดูจิตไม่ได้นะ แต่บอกดูไม่ถึงจิตกลายเป็นว่าบางคนเข้าใจว่าต้องดูกายไม่ใช่สติปัฏฐานสี่เนี่ยเหมือนประตูสี่ด้านประตูเมืองสีทิศเข้าประตูไหนก็เข้าเมืองได้งี้เราพยายามเจริญสติปัฏฐานไวน้เราดูตัวเองเราเหมาะกับการรู้กายเราก็รู้กายเหมาะกับการรู้เวทนาเราก็รู้เวทนาเหมาะกับการดูจิตที่เป็นกุศลบ้างกุศลบ้า ง, ก, างก็ดูจิตไป อะไรก็ได้ทางกายทางมันเวลาดูกายดูยังไงก็เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเวลาดูเวทนาดูยังไงก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาเป็นอีกสิ่งหนึ่งเวทนาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวทนานี้บางทีก็อาศัยอยู่ในกายบางทีก็อาศัยอยู่ในจิตบางทีก็มีความสุขกายบางทีก็ทุกข์กายบางทีก็สุขใจบางทีก็ทุกข์ใจนี่เป็นเรื่องของเวทนา นะไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งดูจิตดูยังไงก็ดูว่ากุศลจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปนะตัวกุศลตัวอกุศลเองก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้านะจิตคือผู้รู้อารมณ์ทุกสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณนะ์คําว่าอารมณ์ไม่ได้เป็นภาษาไทยนะภาษาไทยอารมณ์อะไรพวกฟิลลิ่งใช่ไหมไม่ใช่ อารมณ์นี้คือตัวออบเจกตัวออบเจกคือสิ่งที่ถูกรู้ตัวจิตคือตัวซับเจกเป็นตัวรู้นะไี่บางทีแปลบาลี แ, ลแปลภาษาไทยต้องเติมภาษาอังกฤษด้วยยุคนี้ภาษามันมันเคลื่อนหมดนะคนไทยเนี่ยเอาศัพทบาลีมาใช้แล้วเพี้ยนไปเยอะเลยอย่างคนไทยชอบชื่อมานะมานะถามว่าแปลว่าอะไรา ขยันขันแข็งไม่ย่อท้อไอ้นั่นมันอุตสาหะมาหน้าเป็นชื่อกิเลสว่าความถือตัวถือว่ากูแน่ถือว่ากูแย่ถือว่ากูเท่าๆกับมึงอย่างนี้เรียกมันนะละเรามีเยอะนะบางคำนั้นน่าเกลียดมากเลยก็เอามาใช้โกรูอย่างสันทวะไมาตรีสันทวะแปลว่าเมกเลฟนะสันทวะไมาตรีไมตรีที่เกิดจากการเมกเลฟ มันดียังไงก็สมัยก่อนเจ้าต่างเมืองเขาแต่งงานกันอย่างนั้นน่ะเรียกว่าสันทวามิตรรีนะเราก็เอาศัพท์มาใช้มั่วไปหมดอนะ่ะหรือใหญ่โตละโหรฐานเคยได้ยินไหมใหญ่โตละโหรฐานใหญ่โตต้องมาโหรารละโหรฐานแปลว่าที่ลับนะที่ลึกลับที่ลึกลับนะที่ลึกลับสถานที่ลึกลับละโหรฐานเนี้ยมีเยอะเลย งียนบางทีแปลสับนะก็ดูให้ดีแปลแล้วมันเคลื่อนเคลื่อนื่อ น, นะสับแต่ละยุคสมมติบรรจัติมันไม่เหมือนกันยุคหนึ่งคำว่ากูเป็นคำสุภาพพ่อกูชื่อสีอินทราทิ์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองบองแม่พูดระยับคาย้วเขาพูดสุภาพของเขา สมัยรัชะกาลที่ห้าผู้ชายเรียกตัวเองว่าอะไรรู้ไหมเวลาคุยกับผู้ใหญ่อ่ ด, ด, อ ด, ออดีฉันตกใจไหมดีฉันถ้าหลวงพ่อไปพูดเกีวกับแม่ดีฉันเนี่ตกใจเลยนึกว่าหลวงพ่อสับสนละฝรั่งนะเข้ามาได้ยินคนไทยเรียกตัวเองว่าดีฉันดีฉันมันก็สงสัยว่ามันแปลว่าอะไรถามคนไทยคนไทยก็ตอบไม่ถูก ฝรั่งก็เลยสมมติฐานอ๋อคงเป็นการกดตัวเองให้ต่ำเรียกว่าตัวเองเป็นเดรชาณไปน้่นอีกนะอ้าวฟังสติปัฏฐานต่อฟังอะไรนอกเรื่องแล้วชอบชอบเนี่ยเราคอรู้กายอย่างคำว่าเวทนามันก็เพี้ยนเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ก, สกไม่สุขไม่ทุกข์ของเรากายเป็นสมเพท สมเพศเวทนาหน้าเวทนาเพี้ยนหมดนะคำนะงั้นบางทีต้องอธิบายนะคาว่าอารมณ์นึงก็เหมือนกันอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้นะไม่ใช่ feeling กนะ็คือออบเจกต์จิตเป็นคนรู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรที่จิตไปรู้เข้านะรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพธรรมารมทั้งหลายนี่แหละจิตไปรู้เข้านะ รูปเป็นรูปธปรรมเสียงกลิ่นรสโรพะทภะที่มากระทบร่างกายนี้เป็นส่วนของรูปธปรรม ท, ทั้งหมดธรรมารมประกอบด้วยรูปธปรรมบางอย่างธรรมารมที่รู้ได้ใจนะเป็นรูปธปรรมบางอย่างเป็นธรรมารมนะนา ม, มาธรรมทั้งหมดเป็นธรรมารมนิพพานเป็นธรรมารมสมมติบัญญัติเป็นธรรมารมลองหลับตาแล้วยิ้มซิรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหว เนี่ยรู้ด้วยใจนีไม่ได้รู้ด้วยตาเพราะนรูปที่เคลื่อนไหวเรียกวินยติรูปรูปมันเคลื่อนไหวเป็นรูปที่รู้ด้วยใจเป็นธรรมารมณคใอยๆดูนั้นทําสติติฐานนะพวกเราง่ายๆเลยก็ดูกายถ้าถนัดดูกายก็ดูกาย เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเคลื่อนไหวยังไงหายใจออกใจเป็นคนดูหายใจเข้าใจเป็นคนดูเคลื่อนไหวยังไงยืนก็ใจเป็นคนดูนั่งนอนเดินใจเป็นคนดูเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนไปเรื่อยเคลื่อนไหวยังไงอีกเหลวซ้ายก็มีคนใจเป็นคนดูเหลวขวาใจเป็นคนดูก้มหน้าเงยหน้าเคลื่อนไหวไปมาคืบขยับมือไปดึงมือกลับอะไรเงี้ยใจเป็นคนดู ดูแล้วได้อะไรดูแล้วได้เห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจผปดดูเข้าแต่หัดรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวใหม่ๆเบื้อต้นได้สติก็จะได้สตินะต่อไปเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตัวก็จะรู้สึกตัวเรียกว่าได้สติขึ้นมาแล้วก็พอเคลื่อนไหวพอเรารู้สึกตัวมีสติขึ้นมานะจิตจะกลับมาหาตัวเองตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้สมาธิขึ้นมาด้วย แล้วเห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปไม่ใช่ตัวเรานี่ได้ปัญญาปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์แล้ค่อยๆดูไปไม่ยากอะไรหรอกใช้เวลาไม่นาน7วัน7ดเดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างรุ่นหลังๆนะยิ่งเร็วพวกที่มาเรียนทีหลังเนะี่ยเร็วเพราะว่าอะไรพวกที่มาเรียนทีหลังเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่สนใจปฏิบัติมาก่อน ไม่ได้สนใจที่จะปฏิบัติมา ก, ก่อนพวกที่มาหาหลวงพ่อแต่แรกๆเนี่ยพวกชอบปฏิบัตินะติดเพ่งมางอมแงมเลยต้องมานั่งแก้เวลาติดเพ่งนะจะหน้าตายอย่างนี้ยิ้ม <laughs> อย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะโอ้ยแกกันนานนะบางคนบางคนแก้ไม่ได้เลยมีคุณใหญ่ อายุ87เจดคุณยายเนี่ยรู้ว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศเล่ห์มหาคุณยายเป็นลูกศิษย์หลวงปุ่เทศแล้วบอกว่าดิฉันฝึกกับหลวงปู่ ม, มานานดิฉันได้แต่สมาธิมันไม่เดินปัญญาดิฉันอยากเดินปัญญายังไม่อยากเกิดอีกแล้วจะทำยังไงคุณยายติดสมาธิมัน เจสปีถ้าแก่นะใจคุณยายจะฟุ้งมากเลยแล้วก็จะร้ายมากเลยจิต ท, ที่มันสงบมานานเนี่ยพอหลุดออกมามันจะฟุ้งซ่านสุดฤสุดเดชเลยแล้วคุณยายอายุเยอะเกินเกิดว่าคุณยายจะตายเร็วนะยังปรับจิตให้เข้าที่ไม่ได้คุณยายจะฟุ้งซ่านตายตายไปด้วยจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านจะไปอบาย ก็เลยบอกว่าทําต่อไปเธอะทํำไปไม่แก้แก้เราเสี่ยงเกินแล้วก็คุณยายเข้าไปบอกพยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะอย่าให้เข้าสมาธิลึกจนกระทั่งร่างกายหายเนีย่ยบอกคุณยายไปอย่างนี้เพื่ออะไรเมื่อคุณยายตายคุณยายเป็นพรหมแน่ๆเลยจะได้เป็นพรหมที่มีรูปมีร่างกาย มเมื่อภาษีริยะเมตไตรมาตรสรูเนี่ยจะได้มาฟังธรรม น, นี่ดูสิเรามองกันไกลเผื่อให้หลายช็อตเลยมั่วส่วไปแก้ให้เขานะแยกหรือเขาตกนรกทำไงโหลำบากนะสอนกรรมฐานนะ่ะชองประนีดนะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะสรุปนะวันนี้มันวันสุดท้ายละพวกที่มาเข้าคอร์สคนไทยอันแรก ต้องถือศีลห้าต้องถือถ้าไม่ถือสมาธิไม่มีจริงหรอกถ้าสมาธิมีอยู่สมาธิจะค่อยๆเสื่อมต้องถือศีลถือศีลห้านะไม่ต้องศีลแปดเป็นคราวาได้ศีลห้าก็วิเศษแล้วจะถือศีลให้ดีต้องมีสติคนทำผิดศีลเนี่ยเพราะว่ากิเลสครอบงำจิต อย่างความโกรธเกิดขึ้นก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปเบียดเบียนทางร่างกายเขาไปแกล้งขิงทรัพย์เขาก็ได้เบียดเบียนทรัพย์สมบัติเขาไปหลอกลูกหลอกเมียเขาก็ได้เบียดเบียนคนที่เขารักไปแกล้งด่าแกล้งว่าเขาก็ได้ใส่ร้ายป้ายสีเขาก็ได้เบียดเบียนชื่อเสียงเขาเนี่ยทำได้น้ําผิดศี่ห้าได้หมดมีราคาก็ทําผิดศี่ห้าได้หมดมีโมหะนะผิดอยู่แล้วล่ะ เวลาเราพยายามีสตินะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสจะดับอัตโนมัติไม่ต้องไปหาทางดับกิเลสนะถ้าใครเขาถามว่ามาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อประโมทหลวงพ่อประโมทสอนวิธีละกิเลสไหมตอบไปเลยนะว่าไม่มีไม่มีละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะให้ละเพราะเราฝึกสติกิเลสจะดับอัตโนมัติสิ่งที่ละนะคืออนุสัย สันดาณความเคยชินที่จะทำชั่วเพราะเรามีสติบ่อยๆนะใจมันจะค่อยๆคลายความคุ้นเคยที่จะทาชั่วเรียกว่ามันล้างอนุใสไปเพราะฉะนที่เราหัดเจริญสติเจริญปัญญาอยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อล้าง ก, กิเลสเพราะทันทีที่สติเกิดกิเลสก็ดับไปแล้วไม่มีให้ล้างหรอกแต่พอกิเลสดับเราไม่ทาตามใจกิเลสสันดานที่เคยชินที่จะตามใจกิเลสจะค่อยๆลดลงมันจะเปลี่ยนอนุใส เนี่ยธรรมะมันประณีตนะไม่ใช่มั่วซั่วไปเรื่อยปฏิบัติแล้วล้างกิเลสไปใครจะไปล้างมันได้กิเลสเป็นอนัตตาสั่งมันได้ที่ไห น, นะ <S <S <ม>่ะงั้นเรามีสีลห้านะแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแล้วศี่ห้าจะสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างเรารู้สึกสนุกเราอยากพูดขนองขึ้นมาเราเห็นใจมั็นขนองนะเรารู้ทันปุ๊บเราไม่พูดเพ้อเจอละ นะเพราะว่าพูดเพื่อเจอ้าเนี่ยเสียพลังงานไม่มีประโยชน์เราก็ไม่พูดเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันเป็นกิเลสเนี่ยงั้นเราคอยมีสติรู้ทันกิเลสไว้เรื่อยๆแล้วศีลจะดีขึ้นอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไปฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซ่านไปในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภาพธรรมารมณ์ทั้งหลายความฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสเมื่อสติไปรู้มันมันก็ดับ การอาศัยสติไปรู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะเห็นหมเราเรียนอย่างอัตโนมัติไปหมดเลยไม่ได้ทําอะไรสัอย่างเพราะอะไรสมาธิเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะแต่ว่าเหตุที่เป็นศัตรูของสมาธิมันไม่มีจิตมันก็เกิดสมาธิขึ้นศัตรูของสมาธิก็คือนิวรณ์ห้าตัวนิวรณ์ห้าตัวหัวโจร ข, ของมันก็คือความฟุ้งซ่านนั่นเอง ฟุ้งไปแล้วไปชอบในอารมณ์ก็เรียกว่าการมาฉันทะนิวรณ์ฟุ้งไปแล้วไปเกลียดในอารมณ์เป็นพยาปาทะนิวรณ์อย่างเราเกลียดอะไรแล้วก็คิดถึงอันนั้นบ่อยใจก็จฟุ้งไปหานั้นบ่อยฟุ้งไปฟุ้งมาเรียกว่าอุทัจฉะนิวรณ์ฟุ้งแล้วก็ลาคาญขึ้นมาเป็นกุกกุจจะฟุ้งไปก็คิดมากคิดมากมาก็สงสัยมากรังเลมากเป็นวิชิกิจฉาฟุ้งมากหมดเรี่ยวแรงนะใจไม่มีแรงจะรู้อารมณ์ เป็นทีนมิตะนิวร์มาจากตัวฟุ้งเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยงั้นอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุง้งที่หลวงพ่อสอนว่าต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะวันหนึ่งสักสินาทีก็พอไม่ต้องมากหรอกทํามากเดี๋ยวไปติดเพ่งอีกทำวันหนึ่ง15นาทีนะเช่นจะหายใจก็าหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปก็รู้จิตไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไปอยู่ที่ลมก็คือจิตฟุ้งสั้นแบบหนึ่งแต่ฟุ้งไปอยู่นิ่งอยู่ที่เดียวนะคนทั่วไปก็จะดูว่าจิตสงบ แต่ถ้านักปฏิบัติที่แท้จริงจะรู้ว่าจิตออกนอกจิตเคลื่อนไปแล้วะงั้นเวลาที่เขาฝึกกรรมฐานกันขยับมือแล้วจิตไปอยู่ที่มือถ้าสําหรับพวกเราที่ภาวนาเราจะรู้เลยจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่มือนี้จิตฟุ้งซ่านแล้วจิตไหลไปแล้วหลวงปู่ดูลเรียจิตออกนอกดูท้องผ่องยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปสงบอยู่ที่ท้องสงบที่ท้องจริงแต่จิตเคลื่อนไปแล้วไม่เห็นจิตออกนอกไปแล้วใช้ไม่ได้จะได้แต่สมถะสงบนิ่งอยู่เฉย แต่จะไม่ขึ้นไม่ศาสนาวิ่ศาสนาจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ไม่ใช่ไหลลงไปแล้วไปเต้นอยู่ที่อื่นนะงั้นทุกวันทําในรูปแบบนั้นจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ฝึก อ, อย่างนี้แล้วต่อไปสติมันอัตโนมัติพอจิตเคลื่อนปุ๊บมันเห็นเองพอเห็นปุ๊บจิตตั้งมั่นโดยไม่ต้องเจตนามันตั้งเองนะแล้วก็ค่อยๆฝึกไปนะทำสติปัฏฐานไป ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูก็ทำไปหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาใจเป็นคนดูโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาใจเป็นคนดูนี่ค่อยๆดูมันมีสิ่งที่ถูกดูก็มีใจที่เป็นคนดูค่อยๆแยกไปนะแยกไปชำนิชนานาแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้น ร่างกายที่หายใจออกเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกลายเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายที่นั่งอยู่ชั่วคราวก็เปลี่ยนเป็นร่างกายยืนหรือร่างกายนอนร่างกายยืนก็เปลี่ยนเป็นร่างกายเดินเป็นร่างกายนั่งหรือเป็นร่างกายนอนได้ไหมจากยืนลงนอนได้ไหมได้หกล้มโลมลงไปเลยเดินเดินอยู่ยืนอยู่ลงไปฟาดพื้นเลย ไม่ผ่านอียาบทนั่งทำได้อียาบทนอนจะขึ้นมาเป็นยืนได้ไหมไม่นั่งยืนได้ไหมไม่รู้เหมือนกันทำไม่เป็นคนอื่นเขาอาจจะทำได้นอนอยู่แล้วเด้งดึ๋งขึ้นมานนเหมือนตัวการ์ตูนอยู่เนอะนะไม่ต้องไม่ต้องนั่งไอหลวงพ่อทำไม่เป็นอย่างนั้น ครๆฝึกนะแ้วเห็นเลทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราแล้วต่อไปก็จะเห็นตัวจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราตัวจิตเองเราสั่งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปดูเดี๋ยวมันก็ไปฟังเดี๋ยวมันก็ไปคิดสั่งมันไม่ได้นะแล้วก็เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วสั่งมันไม่ได้ดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นเลทุกอย่างที่จิตรู้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาตัวจิตเองไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนีย ทั้งจิตทั้งอารมณ์นะล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวเราจะไม่มีอีกต่อไปแล้วจะเห็นว่าขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำนะจะเห็นอย่างนั้นเอาไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ